ท่านทั้งหลายก็จะได้พบกับจุลัยตามเดิมเป็นอันว่าและท่านพลเองและก็ เดินทางขึ้นไปโดยธานอากาศแผ่เปียวก็ แล้วต่อมาก็มีเทวดามากเยอะแต่ว่ามากมาย ให้บริรักษาการในเขตของวัดท่าสูง ว่าต้องการจะไปพบเทวดาหรือนางฟ้า ก็ก่อนแล้วท้าวโกสีท่านเทวราชก็มีพระบัญชาถามว่า 2 ป้าหลานนี่มาธุระอะไรหรือคุณหลานก็ก็กราบเรียนได้บอก การใช้ศักดิ์ปู่ที่ว่าเป็นคนใกล้ชิดกันเป็นญาติสนิทคุยกันสนัดแต่เธอก็หาไปถามหาไปทําไปหาชาญญาติของท่านกราบแล้วบอกว่าหนูขอญาติหลิดญาติก็แล้วกันนะเจ้าคะท่านก็ ว่าท่านปู่เนี่ยทําไมท่านปู่ก็ แล้วท่านย่าก็เหมือนกันท่านย่าก็ยิ่งกว่านางฟ้าคนใดทั้งหมดย่าจะถามว่าท่านปู่ วันนี้เป็นเรื่องของท่านแต่พูดเดียวฉันไม่พูดเพราะว่าในฐานะที่ท่านเป็นเทวดาเป็นราชาของ ที่ตามบาลีท่าน 6 ชั้นตามนี้ก็ทราบกัน ว่าท่านต้องการอะไรเราหาให้ตามกําลังที่พึงหาได้ ถ้า 1 2 วัน 3 วันก็ตามให้ยอมรับนับถือว่าเขาเป็นพี่ทำถ่อม เรเราก็แสดงความเคารพในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่า <c oughs> <c oughs> การให้ทานไม่ใช่ว่าเราจะทุ่มเทเสียทุกอย่างมีเท่าไหร่ให้หมดทั้งนี้ไม่ควรต้องดูในการให้ว่าพอจะให้ได้ไหมถ้ามันเหลือกินเหลือใช้ตามความจําเป็นแล้วก็แบ่งให้ทรัพย์สมบัติไม่ใช่เหลือกินเหลือใช้แล้วก็ให้ทั้งหมดเพราะความจําเป็นนอกจากกินนอกจากใช้ธรรมดามันมีอยู่เช่นการป่วยไข้ ถ้ามรดกทรัพย์เหนือที่เรามีความจําเป็นแล้วต่อไปปู่ก็มีความเมตตากรุณาขึ้นที่ว่า <c oughs> ถึงแม้ว่าใครเค้าจะพูดเค้าจะกับความไม่ดีของเขาจิตใจต่อไปจิตใจก็ทุ่มทืนต่อมาเมื่อเจอคนต่างๆก็แต่ ที่ทํา กรรมที่เป็นบาปได้ชาติก่อนควบคุมใจเค้า มันหมายความว่าถ้าเขาดีเขาทําไม่ดีต่อหน้า <c oughs> เป็นคู่บารมีของปู่มาตลอดทุกชาติเกิดแต่ได้ชาติญาณนี่ก็จองตําแหน่ง โดยไลก็ถามว่าก็ในเมื่อไม่มีเมียน้อยทําไมท่านคนเดียวแต่ละชาติละชาติอย่างน้อย เกตุไลก็จำเริญไปหาท่านญาติท่านญาติก็ยิ้มแล้วจุไลก็ถามว่าแล้วท่านญาติไม่หิงนะเจ้าคะท่าน <c oughs> ถ้าเขาจะทะเลาะกันบ้างเขาจะด่ากันบ้างเขาจะขัดคองกันบ้างก็ไม่ถึงปู่เพราะปู่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ไปอยู่คนนั้นนิดไปหาคนนี้หน่อยแต่ละวันแต่ละวันต้องเฉลี่ยความรักกันทุก เป็นประจําเวลาไหนไปเยี่ยมคนไหนวันไหนไปเยี่ยมคนไหนคณะไหนต้องไปตามนั้นไม่ขาดอยู่อะไรก็ถามว่าที่อย่างนั้นท่านปู่ไม่มีการป่วยแค่ไม่สบายหรือท่านบอกถ้าเวลาไหนป่วยแค่ไม่สบายก็แจ้งเราทราบพอเวลานี้ป่วยป่วยท่านหยุด เสาร์ทําให้ผู้มีวนุกขพลศิลาอาถความจริงพระแท้มนุกขพลศิลาอาถที่รู้สึกว่าสวยสดงามเป็นคณิพิเศษดูสภาพเหมือนว่าเป็นท่านหญิงดูลักษณะเหมือนก็ท่านหญิงแต่ก็ไปเห็นนี่แปลกแผวๆมันเพชรแล้วก็กล้านุ่มนิ่มเหมือนกับพื้นนอน น่าสบายท่านภูมิพระ <c oughs> ท่านฤษณะในสงครามได้บรรดุกัมโพชีลาอาจคือมาคมานพท่านมาคมานพเนี่ยท่านเป็นพระองค์ก่อน ท่านแนะนําอะไรปฏิบัติตามท่านสอนท่านห้ามอย่างไหนเว้นและปฏิบัติให้ มีความสุขนี่ก็ขออาน จากต้นทางถึงปลายทางระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อนอยู่คน 32 คนจัดวางวางวางเข้าได้ได้สบายตั้งใจคนมา อสรัยแรงพักพรแรงเหนื่อยๆเฮานี้สงฆ์ธรรมที่ก็มีบรรพตกัมโพชิราอาจเป็นที่ประทับของไม่อิ่นต่อต่อกันมาแต่ว่า <c oughs> แต่ผลที่ได้มาก็คือเป็นแก้วเป็นเพชรแววพราพพฤณยัตตาลที่หลานเห็นจุลัยก็ถามว่าการสร้างมณฑลกบวยศิลาอาจ ความจริงการบําเพ็ญบุญกุศลนั้นไม่จําเป็นต้องลงทุนเสมอไปไม่ๆของท่าน 32 คนนั่นก็เอราวัณเทพบุตรท่านนายช่างต่างคน ตรงความว่าท่านปู่ยืนยันว่าการที่ คุณไล่ก็ถามท่านปู่บอกว่าถ้าอย่างนั้น มาพักตรงนี้ถ้ามีร่มมีเงาพักมีความเย็นจะมีความสุขมากกว่านี้จึงช่วยกันปลูกต้นแคฝอยขึ้นดีข้างๆกับแผ่นหินนั้นเพราะไม้ที่เรียกปาริกชาตยังเกิดขึ้นมาเพราะอานิสงส์ในการปลูกต้นไม้ใครก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีคนเค้าปลูกต้นไม้หรือ จะมีสงเหมือนอย่างนี้ไหมท่านผู้ก็ยืนยันบอกว่าถ้าเจตนาเป็นอย่างนั้นตั้งใจให้เป็นทานตั้งใจส่งเสริกให้คนมีความสุขจะเป็นระหว่างทางเดินในที่ที่พักธรรมดาธรรมดา ก็จะมีแท่นอะไรก็มีต้นไม้อย่างนี้ตัวอะไรก็ยิ้มแท้แล้วตัวอะไรก็บอกว่าที่บ้าน <c oughs> ท่านปู่ก็นั่นโอก็บอกแล้ว <c oughs> พอบ่นนี้เครื่องแต่งกายของหมอทั้งหมดไม่มีกระเป๋ายังไงก็บอกว่า วิมานของท่านปู่ใหญ่มากเธอก็ถามว่าท่านปู่เจ้าคะวิมานของท่านปู่นี่มีกี่ชั้นท่านปู่ก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าวิมานของปู่มี 1,000 ชั้นเธอก็ถามว่าในวิมานของท่าน จริงๆนะพันคนจริงนับแสนคนเธอก็ถามต่อไปว่ายิ้มชอบใจท่าน ปัญญาและปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาจุลัยก็บอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยเขามักจะสถาปนาคนรับใช้ให้เป็นแม่บ้านแต่ความจริงคน เค้ามีระเบียบจะไปส่ง 4 5 แบบนั้นไม่ได้คนที่เป็นปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาเค้าเกิด เมื่อเมธาตายจากความเป็นคนก็เกิดมาเป็นเจ้าของวิมานมีร่างกายเป็นที่มีบริวาร ถ้าเกิดเป็นบนที่นอนนี่ก็ถือว่าเป็นปัญญาของเจ้าของไม่มาแล้วเป็นสามีของเจ้าของอีมานวิไลฟังแล้วก็ยิ้มวิไลก็ถามต่อไปถ้าอย่างนั้นมีลูกมั้ยเจ้าคะท่านปู่ก็ <established> ท่านปู่ท่านย่าครูเรอชอบใจท่านก็บอกว่าที่นี่ไม่มีหมอลูกปุจฉาอะไรก็ถามกับนางฟ้าเค้าไม่มีครรภ์คือเทวดานางฟ้าเนี่ยไม่มีท้องโตเหมือนมนุษย์ช่วย ก็เลยบอกเอานี้ก็แล้วกันปู่จะเล่าให้ฟังเวลาตายจากความเป็นมนุษย์ก็มาเกิดพบพับบนตักของเทวดาเทวดาและเป็นบุตรหรือเป็นเป็น จุฬาโอ้หนูแปลกใจทําไมถึงว่าทั้งไม่มีท้องเหมือนมนุษย์ทําไมต้องไม่ท้องโตมาก็บอกว่าที่เมืองเทวดานี่ลูก นโนก็ดู 2500 ปีเศษปู่แก่มั้ยจุไรมอง 15-16 เท่านั่น ก็บอกว่าไม่แก่ถ้าปู่ก็เลยบอกว่าปู่เกิดขึ้นมาครั้งแรกก็เท่าเนี้ยแล้วต่อไปเบื้องหลังอีกนานเท่าไหร่ก็ตามปู่จะไม่ธรรมว่าแก่ แต่ปู่บอกก็บอกว่าและนางฟ้าตุไลถึงก็ถามแต่ว่าถ้าเกิดนางฟ้าที่เป็นบริวารล่ะเมื่อนางฟ้าที่เป็นบริวารของท่านปู่นั้นทั้งแสนคนเธอมาเกิดได้ยังไงเนี่ยมาจากไหนคําว่าบริวารเป็นพวกพ้องอนุรักษ์จ้างหรือว่าคนรับใช้ท่านปู่ไปรับคนรับใช้มา กูก็เลยบอกว่ากรรมบริวารมันเป็นอย่างนี้นะกูจะเล่าให้ฟังถ้าถ้าบุคคลใดตาย <c oughs> ถ้าเกิดแล้วเหมือนระหว่างกลางคือว่าจะวัฏฏวิมานโนวิมานนี้ก็เท่ากัน เลยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมี ตัวความงานของเทวดางาน อาจจะมีความรู้สึกนึกคิดถึงบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นบ้างไหมท่านปู่ก็บอกว่าหลานรักทุกคนไม่สภาพเหมือน ทุกคนมีทุกข์ปะเทวดาทั้งหมดที่เกิดมาแล้วก็มีห่วงมีความเป็นห่วงอยากจะช่วยคนหลายมีความสุขตั้งกําลังห่วงตนแล้วบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้กับหลานคุยกันไม่ทัน